umnasthi ของสมนะอย่างหนึ่งที่ท่าประชาวต้องทำในธ sua compreh trading ove thinking อย่างที่ 2 คือทำงานให้จำแจ้งเพ ในcilian Gob จะทํานําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งแล้วก็จึงจะมาอธิบายๆที่ นะผู้ที่เป็นธรรมวาจีเนี่ยจะไม่กล่าวขัดหมายความว่าก่อนสิ่งที่กล่าวธรรมนะธรรมวาจีผู้กล่าวธรรมธรรมะก่อนเดี๋ยวท่านจะต้องทําความเข้า ธรรมะใดที่บอกที่ 2 อย่างตรงนี้และนี้ นะก็ 2 อย่างนั้นคืออ่าเราต้องใช้วิธีการบอกด้วยวิธีที่บริสุทธิ์ นะถ้ามีความคิดว่าให้ผู้อื่นนั้นเอ่อมีมาเป็นเค้าเรียก นะผู้กล่าวธรรมก็กล่าวในลักษณะที่บริสุทธิ์ธรรมะ เราเราพูดแสดงทําออกไปมันก็ขัดแย้งกับเค้าสิ ถูกก็คือพูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าพูดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้น่ะมันคือเค้า นะเราเห็นเห็นอยู่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงล่ะเราเห็นเห็นอยู่มันมีอยู่หรือไม่มีอยู่ล่ะในสิ่งไหนมีอยู่ นะมันก็บางคนอาจจะเรียนรู้การเรียนรู้ของด้วยที่ที่เป็นหลานของท่านว่าเอ่อวาจาใดที่เขา <sincere> <an> แล้วก็พูดไปแต่ว่าเอ่อผู้ที่เป็นพระอรรถันต์แล้วเนี่ยผู้ นะเขาก็จะเจ็บช้ำไปเองนะเขาจะเจอความทุกข์ได้ ในการทําจิตใจเราให้มันเบาสบายได้ในการทําจิตใจให้เราดีขึ้นมาเราและพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าไม่ได้ๆนอกจากสิ่ง เน้นใจของเราความเป็นประภัสสรของๆในโลกทั้งสิ้นเลยบ้านเรือนช่องอะไรต่างๆเนี่ยจะ นั่นก็จะปรารถนาอย่างเดียวคือความที่ไม่เกิดนะไม่เกิดเกิดทุกข์ขึ้นมานะนั่นคือว่าไม่ใช่ <cannot make> <changes> ทำไมมันยังลงไม่ได้เพราะรากมันถูกเอาออกไปแล้วคืออวิชชาในไอ้กาว มีคุณสอนละทําอะไรที่มันจะดีขึ้นไปกว่านี้มั้ยเราลองดูนะเราลองดูพิจารณาดูดีๆเนี่ยสิ่งนี้ก็แตกสิ่งนี้ก็พังเราหาดู จิตที่เป็นจิตล้วนๆจิตที่มีกําลังๆเป็นจิตที่ประพัสส์นั่นเองจิตประพัสส์เนี่ยเป็นจิตเป็นจิตที่ แล้วว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้แล้วน่ะโทรทัศน์โทรศัพท์แล้วคนเค้าพูด โอ้ยเขาก็จะพาไปทั่วนะท่านฟังนะถ้า แต่ที่จะไปถึงความดับไม่ก็มีทั้งเหตุและเอ่อมีทั้งทางนั่นคือมรรคและผลแต่ถ้าเรากิโลเมตรน่ะถึง ถึงจุดที่จะปลอดภัยนะตรงนี้ก็คือเค้าเรียกว่าโสดาปัตติผลแต่เพราะนั้นถ้าคน อย่าเพิ่งตายถ้ายังไม่ซึ่งโสดาปัตติผลเพราะมันจะเสียดายมากนะคือโสดาปัตติมรรคเนี่ยยังไม่ชัวร์ยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่แน่นอนว่าคุณจะเป็นโสดาบันหรือไม่แต่มัน นะ, sure, อย นะ, อย 8 นะจะเกิด 7 นี่อย่างมาก นะ, นะ, 8 ไปจน โอ๊ยความทุกข์เราจะน้อยมากเนี่ยน้อยมากขนาดไหนเอาเปรียบเทียบดูนะเท่าติดปลายเล็บเนี่ยแล้วไปเปรียบเทียบกับผืนดิน ดินที่ติดปลายเล็บนั่นแหละคือความ 7 ชาติเนี่ยมันแค่เท่ากับ อย่าพยายามใช้ปัญญาในการไคลครวนคุณเดินอยู่บนทางละในคุณเดินอยู่บนทางละอย่าเพิ่งเป็นอะไรถ้านะไอ้ โดยการมีสติด้วยการมีสมาธิมีสมาธินะคนที่มีสติแล้วก็จะทําสมาธิเกิดขึ้นได้และเมื่อมีสมาธิ